ตอนที่เราฟังพุทธวงศ์เนี่ยตอนนั้นทําให้นึกถึงท่านสุเมธบัณฑิต ท, ท่านสุเมธบัณฑิตนั้นเนี่ยนะเนื่องจากว่าท่านปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้ว่าความเป็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นผลการตรัสรู้เป็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผลแล้ว ท่านก็มาคํานึงถึงเหตุว่าเหตุเหล่าใดหนอที่จะทําให้สําเร็จถึงความเป็นพระพุทธเจ้าธรรมะที่เป็นเหตุสร้างความเป็นพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรท่านก็พิจารณาถึงทางดําเนินของพระพุทธเจ้าทั้งมวลที่เคยมีในอดีตว่าพระพุทธเจ้าในอดีตนั้นท่านมาถึงความเป็นพระพุทธเจ้าด้วยข้อปฏิบัติเหล่าใด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 เป็นธรรมที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้าให้สำเร็จผลคือความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องถือเอาทานนี่แหละเป็นสาระสิ่งที่อยู่ในตัวของท่านเลยนะท่านรอ้องบุคคลทั้งหลายที่ร้องเรียกร้องเรียกหมายความว่าต้องการสิ่งที่ท่านต้องการอย่างแรงกล้าที่สุดที่เป็นเหตุให้สาเร็จความเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็คือทาน ทำยังไงที่เจตนาจะหลังไหลในการให้ทานเนี่ยไม่มีจบมีสิ้นไม่มีหมดอันนั้นนั่นคือสิ่งที่ท่านสแสวงหาอันนั้นคือเหตุอันหนึ่งอันนั้นถ้าเปรียบเหมือนกับว่าปราศาทตรหลังหนึ่งที่ใช้เสาประมาณสามสิบต้นทานบารมีก็แบ่งเป็นเสาเท่ากับเสาสามต้นทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีนันก็ถือเอาเสาหลักคือทานก่อนถือเอาเสาหลักคือศีลถือเอาเสาหลักคือ เนี่ยะสร้างปราศาสตร์คือความเป็นพระพุทธเจ้านะนสำเร็จพระพุทธเจ้าที่วิจิต ด, ด้วยรัตนะอันหาที่สุดมีได้นะาะันหลังจากที่ส ม, สมาทานแล้วเนี่ยชีวิตของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็ถือเอาบารมีสิบเป็นสาระถือเอาบารมีสิบเป็นเป็นข้อปฏิบัติทานนี้ไม่ได้ร้องเรียกหาจากวัตถุแต่ร้องเรียกหาจากเจตนาของท่าน ท่า น, นก็ได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพราะทานเพราะศีลศีลท่านก็ไม่ได้ไปร้องเรียกเอาจากสิ่งอื่นท่านก็ร้องเรียกเอาจากเจตนาของท่า น, well นนี่นะเพราะศีลคือเจตนาศีลคือเจตสิกศีลคือสังวรศีลคืออวีติกรมะท่านก็ร้องเรียกหากุศลศีลที่มีอยู่ในใจของท่านเนคขมมะก็คือสัมมาสมาธิทั้งหลายนี่นะท่านก็ร้องเรียกหาสมาธิจากใจของท่านอีกนั่นแหละ ปัญญาก็เป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับใจประกอบแล้วกับใจมันท่านก็ร้องเรียกว่าทำอย่างไรใจที่เป็นปัญญานี่จะเจริญเติบโตยิ่งขึ้นสิ่งเราใดที่เป็นสายท่อทานเรียกว่าสายต่อท่อให้เกิดปัญญาเช่นการฟังเป็นต้นท่านจึงยินดีในการฟังแต่จริงๆท่านต้องการปัญญาการฟังเป็นเหตุผลคือปัญญาท่านต้องการผลคือปัญญาเมื่อท่านมีปัญญาท่านก็จะได้สาเร็จเป็น พระพุทธเจ้าได้เนี่ยนะท่า น, นก็เจริญคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะทั้งทานทั้งศีลทั้งเนคธรรมะทั้งปัญญาถ้าขาดวิรยิยะไม่สําเร็จแน่มันวิริยะนี่เป็นตัวผลักดันที่จะทําให้เจริญทานศีลเนคธรรมะและปัญญาเนี่ยนะมันความเพียรเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจะตรัสรู้ได้ก็ต้องอาศัยความเพียร น, นี่คนที่มีความเพียรที่ทําต่อเนื่องได้ต้องมีความอดทนสูงมากเพราะทุกอย่างในโลกนี้มันอุปสรรคเยอะเนี่ยนะ ธรรมดาอุปสรรคอันนี้มีแน่นอนปัญหาเยอะเรื่องมากว่างั้นเถอะพันจะต้องมีขันติต้องไม่ถือเอาสิ่งอื่นเป็นพวกเบี้ยบ้ายรายทางต้องไม่สนใจเนี่ย น, นะเรียกว่าไม่เอามาใสา่ใจไม่เอามามนสศิการถือเอาการเจริญกุศลเป็นประมาณทนอยู่ได้ที่จะเจริญกุศลต่อไปโดยไม่ถือเอาอสิ่งที่เป็นอุปสรรค ว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งข้างหลายเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการให้ทานไม่ถือว่าสิ่งอื่นเป็นอุปสรรคต่อการรักษาศีลต่อการเจริญเนฆา ม, มะปัญญาและวิริยะไม่ถือเอาสิ่งใดเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคแล้วก็เพราะถาเพราะอไรเพราะท่านมีสัจจะเนี่ยนะที่ทำได้อย่างนั้นก็เพราะว่ามีสัจจะโดยเฉพาะมีวจีสัจจะปฏิญญาณปฏิญาาว่าจะปฏิบัติข้อปฏิบัติให้สําเร็จเป็น พระพุทธเจ้าเพื่อแทงตลอดญาณสัจจะในที่สุดทําให้แจ้งปรมัตทสัจจะคือพระนิพานเป็นอันดับสุดท้ายท่านก็ถือเอาสัจจะเป็นหลักทั้นคนที่มีสัจจานั้นอนะใจต้องอธิษฐานค่อนข้างบ่อยมากชาวนะที่เป็นกุศลตั้งแล้วตั้งอีกตั้งแล้วตั้งอีกคือกุศลธรรมทั้งหลายมันเป็นผลผลิตของการตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจเนี่ยนะกุศลมันก็ไม่เกิดมันต้องขยันตั้งขนาดไหน ตั้งที่จะให้ทานตั้งที่จะรักษาศีลตั้งที่จะเจริญเนคขมะตั้งแล้วตั้งอีกตั้งบ่อยๆไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักน่ายเหมือนอย่างว่าผู้ที่แสวงหาโภกข้ศัพท์ไม่เบื่อหน่ายในการตั้งใจหาโภกข้ศัพท์ฉันใดผู้ที่แสวงหาอริยทรัพย์ก็เหมือนกันตั้งใจที่จะแสวงหาทานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะอย่าลืมว่าทานไม่ได้ร้องเรียกเอาจากสิ่งอื่นจากใจทั้งนั้นเลยสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ใจทั้งหมดเนี่ยนะ ทานก็ร้องเรียกเอาจากใจของตัวเองศีลเนคคัมมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ที่ใจพันต้องตั้งใจบ่อ ย, อยการตั้งใจอันนั้นประกอบไปด้วยเมตตาเพราะหวังความสุขแก่ตนและบุคคลอื่นหวังประโยชน์หวังความสุขแก่ตนและคนอื่นอันนั้นเรียกว่าเมตตาแต่ขณะเดียวกันก็ไม่มีความผูกพันไม่มีอะไรอววรในการเจริญกุศล ดังที่พระองค์บอกว่าอะไรแม้แต่ธรรมะเราก็ยังสอนให้ละจะกล่าวไปยายถึงถึงอะไรถึงอธรรมเล่าเพราะฉะนั้นพระองค์ก็บอกว่าไม่ให้มีความติดข้องด้วยอำนาจฉันทราค่าในกุศลธรรมทั้งหลายเลยตรงกันข้ามไม่ผูกพันเนี่นะเพราะอะไรเพราะคนเนี่ยถ้าหากว่ามานั่งแบบฝันหวานถึงแต่สิ่งที่เป็นอดีตเนี่ยจะได้ทำเหตุสิ่งใหม่ๆไหม ไม่เพราะถ้ายิ่งติดข้องในสิ่งที่เป็นอดีตเท่าใดเนี่ยนะมันก็ทําให้ปริมาณการเจริญกุศลจํากัดเอออย่างเช่นบอกว่าสมาทาะให้ทานเอาให้แล้วเมื่อเช้าให้แล้วทําไมต้องให้อีกศีลเมื่อเช้าก็สมาทานแล้วทําไมต้องสมาทานอีกสมาธิก็เจริญแล้วกําหนดแล้วสงบแล้วพอแล้วปัญญาก็รู้แล้วรู้ครั้งเดียวก็เกินพออริยศาสตร์ฟังมาแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย เพราะอะไรเพราะถือว่าตัวเองมีแล้วก็เลยพอแล้วความภาคเพียรทาครั้งเดียวก็พอแต่ไม่หรอกผลคือความเป็นพระพุทธเจ้าคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเพราะถ้าหากว่ามัวแต่คอยติดพันในสิ่งที่ตัวเองทำไปแล้วจะได้ทำกุศลธรรมใหม่ๆไหมจะได้เจริญกุศลธรรมเหล่านั้นใหม่ๆต่อไปไหมันใจก็มีอย่างเดียวว่าคิดอย่างไรจะเจริญกุศลธรรมใหม่ๆได้ยิ่งยิ่งขึ้นต่อไป เหตอันนั้นที่ทําอย่างต่อเนื่องทําด้วยความเคารพทําด้วยความตั้งใจทําด้วยอย่างต่อเนื่องเรียกว่าสาตจักิริยาทําด้วยความเคารพตั้งใจจริงๆเ ร, เรียกว่าสักกัจจเจริยาทําด้วยความเคารพมากแล้วก็นิรันตระยาวนานอะนะันนั้นเรียกว่าทนจริงๆเลยเหมือนกนแท้ทนที่สุดในโลกเนี่ยนะไม่เคยมีผู้ใดอดทนได้ขนาดนั้นเหมอนกันทนมากอันนั้นแหละที่ บารมีทั้งหลายเหล่านี้จนในที่สุดก็สําเร็จความเป็นพระพุทธเจ้าคุณธรรมเหล่านี้สร้างความเป็นพระสัพพันธ์อยู่ได้สําเร็จจริงๆซึ่ง เ, เราก็ได้ศึกษามาพอสมควรหรือมาบ้างแล้วจากจริยาปิดกก็ตามหรือจากพุทธวงศ์ก็ตามหรือจากมหาปรินิพานสูตรมหาประธานสูตรหรืออีกหลายสูตรเดียวกับอัปทานเป็นต้นเนี่ยนะที่เกี่ยวกับเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในแง่บกพระจริยาคุณ ทีนี้การศึกษาต่อไปเนี่ยจะเน้นพระคุณนคุณพระพุทธคุณทั้งหลายที่เราคุ้นเคยว่าพระพุทธคุณส่วนพระสรีระคุณนั้นก็มีโอกาสค่อยกล่าวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พระพุทธกิจทั้งหลายนี่ช่วงนี้ก็ตั้งใจว่าจะเอามาเอาพระพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยนะพระคุณของพระพุทธเจ้าเท่าที่พอจะศึกษาค้นคว้าได้เอามากล่าวเนี่ยนะก็โดยถือเอา หนังสือบทสรรเสริญพระรัตนตรัยเป็นเป็นหลักเนี่ยนะถือเอาเป็นโครงสร้างแต่จำไม่อธิบายตามลําดับหน้าอธิบายตามลําดับใจเนี่ยนะบอกว่าใจอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเนี่ยนะบอกว่าอา้าวถ้าอยากเปิดลําดับหน้าก็ไปท่องให้จำที่ง่ายนิดเดียวในที่กล่าวบอกว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านสร้างเหตุท่านสมท า, านท่านถือเอาข้อปฏิบัต คือบารมีเนี่ยเป็นสารณะนะท่านเอาเป็นสารณะเลยนะนะที่เรียกว่าแลกด้วยชีวิตหมดเลยที่เรียกว่าสละทุกอย่างเพื่อทานสละทุกอย่างเพื่อศีลสละทุกอย่างเพื่อเนคธรรมะเพื่อปัญญาเพื่อวิริยะโดยไม่คำนึงถึงวัตถุเข้าของเครื่องใช้สิ่งรอบตัวตลอดจนถึงอวัยวะและชีวิตมันถ้าไม่เรียกว่าสารณ ะ, ะแล้วเรียกอะไร มอบกายถวายชีวิตนี้ให้แก่ทานแก่ศีลแก่เนคธรมมะแก่ปัญญาวิวริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาและอุเบกขาเจริญคุณธรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่องจนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านี่ที่พูดทั้งหมดเนี่ยนะอุปมาซะยืดยาวเนี่ยเพื่อจริงๆแล้วต้องการให้เรารู้ว่าแล้วเราถือเอาอะไรเป็นสาระที่จะทำให้เราเนี่ยพ้นทุกข์ ข้อปฏิบัติตัวใดที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆเราเราร้องเรียกการตรัสรู้เราปรารถนาการบรรลุมรรคผลนะนะโดยมากผู้ที่ศึกษาคำสอนเนี่ยถามเหรอร้อยละเก้าสิบเก้านี่ยนะโดยมากปรารถนาบรรลุมรรคผลนิพพานนังนั้นะถามอาจจะตอบแหมตอบวกไปวนมาแต่จบลงที่บรรลุมรรคผลนิพพาน ตอนต้นเนี่ยอาจจะเรื่องมากพกวนวกไ ป, ปกวนมาแมมใช้เวลาตอบสิบนาทียี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงแต่จบที่บรรลุมรรคผลนิพพานสําหรับคนที่ศึกษาคําสอนที่นี้ถามว่าของพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะเบื้องต้นที่จะทําให้เราบรรลุมรรคผลเนี่ยมันคืออะไรที่จะทําให้เราบรรลุมรรคผลเลยจริงๆเนี่ยนะค้นเลยจากร่างกายจากชีวิตจิตวิญ ญ, ญาณสังคมสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลย อะไรที่จะช่วยให้เราบรรลมุมรรคผลนิพพานได้อะไรก็มีศรัทธาเป็นเบื้องแรกนะเนเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นยังไงก็ต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันคือความเป็นพระโสดาบันโสดาปฏิผลใครเรียกว่าผลของการเข้าถึงกระแสคืออริยมรรคงั้นการปฏิบัติที่จะให้บรรลุอริยมรรคเนี่ยนะข้อปฏิบัติอันนั้นเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐา น, เ, น, บาฐานเบื้องต้นจริ ง, รงๆนั้นขึ้นต้นด้วยศรัทธา ศรัทธาของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้าศรัทธาของเราที่มีต่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือพระธรรมและก็บุตรของพระพุทธเจ้าคือสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระสาวกของพระองค์ถือว่าเป็นบุตรของพระองค์พระองค์เนี่ยนะพระองค์ก็เป็นของพระองค์นั่นแหละพระธรรมก็เป็นของพระธรรมนั่นแหละพระสงฆ์ก็เป็นพระสงฆ์นั่นแหละพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วก็เป็นของพระธรรม พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีแล้วก็เรียกว่าปัจจัดตังเฉพาะตัวของท่านเองแล้วของเราอะ่ะถ้าจะถามว่าตัวเราเราทั้งหลายเนี่ยเอาจากอะไรที่จะช่วยให้เราเราจะเกาะท่านจริงอยู่เรามีพระรัตนตรัยเป็นสารณะมีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะตัวสารณะจริงๆอะ่ะคืออะไรตัวสารณะนะตัวสารณะคือตัวศรัทธากับตัวปัญญา นนะตัวสารณะเนี่ยนะนันก็คือตัวศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธาของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้าถ้าปรารถนาที่จะบรรลมุมรรคผลจริงๆเนี่ยนะต้องถือเอาศรัท ธ, ธาเป็นหลักต้องถือเอาศรัท ธ, ธาเป็นหลักแต่ศรัท ธ, ธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าจะไม่โง่เขลางมงายคือคิดง่ายๆดังที่กล่าวบ่อยๆว่าถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะโง่มันก็สุดแล้วล่ะมันคือคือมันก็ สุดๆจริงๆคนนั้นอ่ะนะแต่ถ้าใครบอกแม้คุณเนี่ยมีแต่ศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่มีปัญญาเลยนี่ขนาดศรัทธาพระพุทธเจ้ายังโง่ขนาดนี้อ่ะนะพูดตรงๆอ่ะศรัทธาพระพุทธเจ้ายังโง่ขนาดนี้ถ้าไปศรัทธาไอ้คนที่กําลังพูดเนี่ยจะโง่อีกขนาดไหนอ่ะนะคนที่ ท, ที่มาพูดบอกแม้คุณเนี่ยศรัทธาพระพุทธเจ้ามากไปถ้าเราต้องไปเชื่อคนที่พูดนั้นเราโง่สุดๆเลยเหมืนกันเถอะนับถือสิ่งที่ดีสุดแล้วยังลดเกรดตัวเองเนี่ยนะลดระดับโหลดมาจนถึงนับถือปุถุชนเนี่ยเป็น ศาสดาเพราะเราเชื่อคําของปุตุชนที่พูดบอกว่าคุณอย่านับถือพระพุทธเจ้าให้มากเลยคุณอย่าเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าให้มากเลยคําอันนี้เป็นคําของปุตุชนเอาเป็นประมาณไม่ได้ไม่ใช่คําของพระรัตนตรยัยไม่ใช่คําของสารณะเพรา ะ, ะเราต้องแยกแยะว่าสิ่งที่เราเจริญเนี่ยสมบัติของเราทรัพย์ของเรานี่มันคืออะไรถ้าเราปรารถนาจะบรรลุมรรคผล การที่เราปรารถนาบรร ล, ลุมรรคผลนั้นจึงถือเอาศรัทธาของเรานั้นเป็นเป็นข้อปฏิบัติทีนี้ศรัทธานั้นเนี่ย ดังที่กล่าวว่าธรรมะเนี่ยจะไม่มีอะไรโดดโดสังขารธรรมทั้งหลายจะไม่มีอะไรโดดโดดถ้าพูดศรัทธาก็ชื่อว่าพูดวิริยสติสมาธิปัญญาแล้วถ้าพูดศรัทธาก็แสดงว่าเลื่อมใสในพระรัตนตรายอย่างสมบูรณ์แล้วเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศผู้เป็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณาผู้ไปแล้วด้วยดีผู้รู้แจ้งโลกเป็นตน้นหรือพระธรรมที่พระองค์แสดงไว้ดีแล้ว และพระอริยสงฆ์ทั้งหลายผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานัตสนะเพราะเราไม่ได้เลื่อมใสพระสงฆ์ในฐานะท่านห่มผ้าเหลืองเนี่ยนะเราเลื่อมใสพระสงฆ์ทั้งหลายในฐานะเป็นผู้มีศีลเป็นผู้ที่รักศีลเป็นผู้มีสมาธิเป็นผู้ที่รักสมาธิผู้มีปัญญาผู้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญาผู้เสมอการด้วยศีลและปัญญา นั่นแหละคือสาวกของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้นับถือผ้าไม่ได้นับถือคมที่ห่มผ้าแต่ถ้าผู้ใดห่มผ้าแล้วมีคุณธรรมเราก็นับถือละ่ะแต่ผู้ใดไม่นับห่มผ้าแล้วไม่ได้เจริญด้วยคุณธรรมเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะเป็นสมณะอยากเยอะเป็นสมณะแกลบอะไรก็เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่พระรัตนาตรัย